ยอนดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวเพรยซูตอนที่สอง้อยี่สิบเ็ดเรื่องมืดมัวขวายวิญญาณครั้งที่ห้าตอนนี้มีชื่อตอนว่าละทิ้งเพียรซูเพราะทำไมเช้าวันนี้นะครับอยู่ในยอนบทที่หกข้อที่หกสิบจนถึงบทที่เจ็ดข้อที่หนึ่งโปรดฟังขจอนะของพระเจ้ายอนบทที่หกข้อหกสิบ เมื่อเหล่าสาวกของพระองค์หลายคนได้ฟังเช่นนั้นก็พูดว่าถ้อยคำเหล่านี้ยากนักหนาใครจะฟังได้แต่พระเยชูทรงตระหนักว่าเหล่าสาวกของพระองค์ซุบซิบกันถึงเรื่องนั้นจึงตรัดกับเขาว่าเรื่องนี้ทำให้ท่านหลายลำบากใจหรือถ้าท่านจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จขึ้นไปยังที่ที่ท่านอยู่แต่ก่อนนั้นท่านจะว่าอย่างไรจิตวิญญาณเป็นที่ให้มีชีวิต ส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดถ้อยคําซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นจิตวิ ญ, ญญาณและเป็นชีวิตแต่ในพวกท่านมีบางคนที่ไม่เชื่อเพราะพระเยซูทรงทราบแต่แรกว่าผู้ใดไม่เชื่อพระองค์และเป็นผู้ใดที่จะอายัาพระองค์ไว้และกลับว่าเหตุฉะนั้นเราจึงได้บอกท่านทั้งหลายว่าไม่มีผู้ใดจะมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดาอย่าทรงโกรธผู้นั้นตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอยไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีกพระเยซูตรัสกับสิบสองคนนั้นว่าทั้งหลายก็จะจากเราไปด้วยหรือซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่ะพวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่าพระองค์มีถ้อยคําซึ่งให้มีชีวิตนิรันดรและข้าพระองค์ทั้งหลายก็เชื่อได้มาทราบแล้วว่า องทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราเลือกพวกท่านสิบสองคนไม่ใช่หรือและคนหนึ่งในพวกท่านเป็นมานรร้ายรงทรงหมายถึงยูดาสบุตรของชีโมนอิสคาริโอตเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่จะอาญาโลงไว้คือคนหนึ่งในสาวกสิบสองคนหลังจากนั้นพระเยซูก็เสด็จไปตามที่ต่างๆในแครงกาลิลีไม่ประสงค์ที่จะเสด็จไปในแค้นยูเดียเพราะพวกยิว หาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ดรงนั้นครับพัศนของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็คือเรื่องของความมืดมัวควายมิญยาที่ทำให้คนที่มืดมัวนะครับละทิ้งพระเยซูเราเห็นนะครับคนที่เป็นสาวกติดตามพระเยซูหลายคนเลิกติดตามพระเยซูคำว่าสาวกหมายถึงศิษย์นะครับนักปัญิยญาคนสำคัญเช่นไอสโตเทนโซเคติส เพโตมีลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าสาวกมากมายลูกศิษย์ลูกหาหรือสาวกนั้นก็คือคนที่ฟังคําสอนและเชื่อเขายอนผู้ให้บอกสมา ก, ก็มีสิทธิ์มากมายนะครับพระเยซูเช่นเดียวกันครับมีคนที่ติดตามพระเยซูเป็นร้อยเป็นพันคนพวกเขาหลายหลยคนนะครับก็นึกว่าตัวเองเป็นสาวกนะครับก็อะไรครับเพราะว่าเขามืดหมัวป่อยวิญญาณ เขามโนครับเขาคิดเอาเองเขาทึกคักเขาเมาเอาว่าตัวเงนั้นเป็นคริสเตียนเป็นสาวกแล้วพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าคนห้าพันคนที่ติดตามพระเยซูเพื่อจะฟังคาสอนในวันที่พระเยซูเลี้ยงพวกเขาด้วยขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวพระเยซูได้ทรงเลือกสิบสองคนจากพวกเขาให้เป็นอัครสาวกครับ คนเหล่านี้ก็เป็นสาวกของพระองค์เช่นเดียวกันเขาติดตามพระเยซูไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพระองค์จะเสด็จไปไหนนะครับเขาต้องการฟังคําสอนของพระองคพ์พระกัมภีร์ตอนนี้นะครับบอกให้ทราบว่ามีสาวกเหล่านั้นนะครับเลิกติดตามพระเยซูพระเยซูก็หันมาพูดกับอัครสาวกทั้งสิบสองคนว่าท่านทั้งหลายจะจากเราไปด้วยหรือเบตโตตอบแทนคนอื่นๆนะครับบอกว่าพระองค์เจ้าค่ะ พวก้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่าพระองค์มีถ้อยคําซึ่งให้ชีวิตนิรันดร์และข้าพระองค์ทั้งหลายก็เชื่อและมาทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องครับคําว่าองค์บริสุทธิ์นั้นในพระคัมภีร์เวอร์ชันภาษาอังกฤษหลายๆเวอร์ชันนะครับเขาแปลว่าคริสเดิร์ชันออฟก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเยซูคริสต์หรือพระคริสผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าองค์วิสุทธิ์ของพระเจ้าหรือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าแสดงว่า พระเยซูนั้นทรงบริสุทธิ์ในขณะด้วยกันครับพรงมาจากผู้บริสุทธิ์ก็คือมาจากพระบิดาซึ่งเป็นพระเจ้าและเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระองค์ซึ่งมาจากพระบิดาก็บริสุทธิ์ด้วยเราเห็นนะครับว่าพปางมภีร์ได้กล่าวต่อไปว่าพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกทั้งสิบสองคนว่าคนหนึ่งในพวกเขานั้นจะทรยศต่อพระองค์ยอนผู้ให้ ผู้บันทึกพระเกติคุณเล่มนี้นะครับหรือที่เรียกว่าเส้นจอนนะครับอธิบายนะครับว่าเมื่อพระเยซูตัดห้อยคาเหล่านี้พรงทรงหมายถึงยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอธพ่อของยูดาสชื่อซีโมนนะครับนําสกุลอิสคาริโอธนะครับหรือเราเรียกว่าซีโมนอิสคาริโอธมีลูกชื่อยูดาสอิสคาริโอธผมเปรียบเทียบชื่อกำน้นามสกุลนะครับนะนในคานองนั้นพี่น้องครับ ยอนนะครับเล่าถึงชีวประวัติของพระเยซูและคําสอนของพระเยซูนั้นหลายปีหลังจากที่เยซูสรงซิมมิชวลและเป็นขึ้นเป็นความตายและเสด็จกลับคืนสู่สวรรค์ยอนสามารถที่สอดแทรกสอดแทร ก, กไว้ในบันทึกที่เขาเล่าว่าคนคนนี้ยคือไข่คนคนนี้คือผู้ที่ถอยยศพระเยซูครับอย่างไรก็ตามครับในวันนั้นที่พระเยซูสัตว์ไม่มีคนใดในสาวกสิบสองคนรู้ว่าพระเยซูทรงหมายถึงไข่ เขาอาจจะถามกันว่าเอ๊ะฉันหรือเปล่าไม่ใช่แน่ๆเลยคงไม่ใช่ฉันหรอกพี่น้องครับเราจะมาดูเพิ่มพีตอนนี้อย่างละเอียดมีสองสามประเด็นครับที่น่าสนใจในข้อที่หกสิบเอ็ดนะครับพระเยซูตรหนักว่าเราสาวกของพระองค์ซุบซิบกันถึงเรื่องเรื่องอะไรครับเรื่องถ้อยคาที่พระเยซูได้สั่งสอนสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทํา ความปรารถนาความมุ่งมั่นน้ำมันไทยของพระเยซูที่ต้องการให้คนที่ติดตามพระเยซูนั้นเป็นอย่างไรเขาซุบซิบกันเรื่องนี้ครับแล้วซุบซิบกันเรื่องเนี้ยพระเยซูก็หันมาถามกับเขานะครับปรอดกับเขาถามเขาว่าเรื่องนี้ทําให้ทั้งหลายลําบากใจหรือคําว่าลําบากใจนะครับแปลว่าทําให้คุณท้อถอยหรือเปล่าเรื่องนี้ทําให้คุณสะดุดหรือเปล่า เรื่องนี้ทำให้คุณไม่พอใจหรือเปล่าเรื่องนี้จะทำให้คุณละทิ้งสิ่งที่คุณติดตามหรือผู้ที่ติดตามคุณคุณติดตามมาหรือเปล่าข้อทสองครับพระเยซูบอกว่าถ้าท่านจะได้เห็นบุนุษเสด็จขึ้นไปยังที่ที่ท่านอยู่แต่ก่อนนั้นท่านจะว่าอย่างไรนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าพระเยซูกาลังบอกว่าพระเยซูอยู่ในโลกนี้นะครับ คงทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตที่เสด็จมาจากสวรรค์เมื่อเราจะติดตามพระเยซูเรารู้ครับว่าต้องรู้ครับว่าพระเยซูเป็นใครกันแน่นะครับและถ้าเราไม่รู้พระเยซูเป็นใครแน่นอนครับคนจะเลิกติดตามเราต้องชัดเจนอย่ามืดมัวฝ่ายวัญญานะครับต้องรู้ว่าพระเยซูเป็นใครจริงๆพระเยซูทรงสัมพันธ์ และทรงสัมผัสกับเรากับชีวิตของเราได้อย่างไรจริงๆอันนี้เป็นประเด็นแรกครับประเด็นทนะี่สองครับอยู่ในหกสิบสามครับจิตวิ ญ, ญญาณเป็นที่ให้มีชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อะไรคําว่าเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อะไรนั้นมีความหมายว่าเนื้อหนังนั้นเป็นของชั่วข่าวครับจิตวิญญาณนั้นเป็นของถาวรแต่ถ้อยคําซึ่งพระเยซูได้กล่าวกับเรานั้นก็เป็นจิตวิญญาณครับเพราะเนื่องจากจิตวิญญาณนั้นถาวร และเป็นชีวิตก็คือให้ชีวิตให้ชีวิตกับกจบิตวิญญาณพี่น้องครับแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าความรอดนั่นเองนะครับให้ชีวิตนิรันดร์กับกจบิตวิญญาณ น, นั่นเองพี่น้องครับนี่คือประเด็นที่สองซึ่งผมอยากจะให้พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องนี้นะครับประเด็นต่อไปครับประเด็นที่สามอยู่ในข้อที่หกสิบแปดครับซีโมนทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าคพวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่า พระงมีถ้อยคำซึ่งให้ชีวินิรันต์และข้าพงค์ข้หกสิบเก้ารครับและขาราพงค์ทั้งหลายก็เชื่อและมาทราบได้ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าคําว่าองค์บริสุทธิ์หรือองค์วิสุทธิ์ของพระเจ้านั้นในคิงเจนนะครับในหลายเลโวชั่นแปลว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเห็นได้ชัดนะครับว่ามีการใช้คําว่าองค์บริสุทธิ์ซึ่งใช้กับพระเจ้าองค์เดียว มาใช้กับใครครับมาใช้กับพระเยซูนะครับซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือเป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าส่งมานั่นเองนะครับนี่คือประเด็นที่สามครับประเด็นสุดท้ายครับอยู่ในข้อเจ็ดสิบครับพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราเลือกพวกท่านสิบสองคนมิใช่หรือและคนหนึ่งในพวกท่านเป็นมารร้ายข้อพีจารณนี้สําคัญอย่างไรครับเพราะหลายคนบอกว่าพระเจ้าเลือก เลือกยูดาสอิสคาริโอแต่คนที่พระเจ้าเลือกไว้ยังกลายเป็นมารร้ายได้แสดงว่าการเลือกของพระเจ้านั้นไม่สิทธิขาดไม่เต็มที่การเลือกของพระเจ้านั้นยังมีการสูญเสียไปได้เช่นนั้นหรือพี่น้องครับคําตอบก็คือว่าคําว่าเลือกในที่นี้นะครับแปลว่าเราได้ให้ท่านสิบสองคน มีโอกาสที่จะใกล้ชิดเราเป็นสาวกของเราคำว่าเลือกนั้นก็คือหมายถึงการให้โอกาสนะครับทั้ง12คนนี่ได้รับโอกาสเหมือนกันหมดแต่มีคนคนหนึ่งครับก็คือยูดาสอิสคาริโอซึ่งเป็นมาร้ายถามว่าทำไมาคนกลายเป็นมารได้ยังไงก็คือคนที่มีนิสัยและธรรมชาตินะครับเหมือนกับมาร เพราะสิ่งที่ยูดาสิชคาริโอทำนะครับก็คือการหลอกลวงนะครับความโลภและการรักในสิ่งที่เป็นเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆการหลอกลวงนี่ถือว่าเป็นอุปนิสัยหรือเป็นลักษณะที่สำคัญของมารชาตานครับเพราะมานั้นคือมันเป็นเจ้าแห่งการหลอกลวงและมันก็ใช้หรือมีอิทธิพลต่อยูดาส อิสคาริโอตทำให้ยูดาสนั้นกลายเป็นคนหลอกลวงนะครับจากการเป็นลูกสมุนของมันนะครับพัฒนาตัวเองนะครับเป็นมารร้ายได้ในคราบของคนคราของมนุษย์เม้่ชีวิตของยูดาสนั้นหลอกลวงพระเยซูให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าให้เขามาเป็นอัครสาวกหนึ่งในสิบสองคนเพื่อที่จะให้โอกาสเขาในการกลับใจ แต่ในที่สุดเขาไม่กลับใจเกากลับหลอกลวงพระเยซูแต่เขานึกว่าเขาจะหลอกลวงได้เขาจะหลอกใช้พระเยซูได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้ครับเขานึกว่าเขาจะใช้อํานาจที่มีอยู่ในพระเยซูขายพระเยซูครับยังไงก็ตามพระเยซูไม่ตายหรอกพระเยซูคงจะหนีได้นี่คือสิ่งเขาคิดนะครับเขากําลังหลอกใช้พระเยซูหลายๆครั้งนะครับ เราเองซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วเห็นบางคนหลอกใช้พระเจ้าเหมือนกันแอบใช้พระเจ้าเหมือนกันให้พระเจ้าทําตามคาสั่งหรือความต้องการหรือความคาดหวังของเรามากจนเกินไปครับเรากำลังหลอกใช้พระเยซูหรือเปล่าคำว่าเป็นมารร้ายนั้นครอบคลุมถึงการที่เป็นคนที่คดในข้องอในกระดูก ภาษาจีนใช้คว่าคลุกเก็ตนะครับคลุกเก็ตก็คือคนที่ไม่ตรงไปตรงมาคลุกเก็ตหมายถึงคนที่คดในข้องอในกระดูกคือเป็นคนเจ้าเล่ห์เททุบายนะครับนี่คือเป็นลักษณะของมาราสานครับเพีองครับต้องระวังนะครับอย่าให้เราสัากคนหนึ่งจะเป็นลูกสมุนของมารและจากลูกสมุนของมา น, นั้นพัฒนา นะครับพัฒนาตัวเองกลายเป็นมารคาตันเหมือนกับยูดาสอิสคาริโอนี่คือบทเรียนของพวกเราในชาววันนี้ขอพระเจ้าช่วยได้เสริมกำลังเรานะครับในการที่ชีวิตของเราจะไม่มืดมัวฝ่ายวิญญาณครับจนกระทั่งเราละทิ้งพระเยซูเราขายพระเยซูเราอาญาพระเยซูไว้อาเมน